การแสดงทำลึกตื้นยากละเอืยดมากน้อยเพียงไรจรึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจริงบูดเดือดขณะที่ฟังก็เป็นภาพปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายปแปกๆต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพลิดเพลินต่อการสดับขับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อ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 ลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแกจิตแจกใจไนอบรมในสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลาดจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีกลับมา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 เล่าถวายท่านนะครับถ้าท่านเริ่มเท็คือส่วนที่เล่านั้นไม่ได้มาเล่านที่ชุมนุมชนในเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้กต่ตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้ในระยะ น, นั้นจุดไหนที่ควรเป็นประโยชน์แก่สาธารณณะทั่วไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟัางมากบรรดาผู้ตี่ ได้รับการลบมศึกษาจากท่านในขณนะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลไา้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวสัวนข้างพุทธการเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประธานพระอว่าเองโอวาโอวาเดอผู้พิคูโอวดังอย่าที่พูดมาแล้วนะั้นมันก็ลืม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 พอดีกับกําลังความสามารถของตนธรรมเทศนาที่ประทานมานั่นก็ร่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะเฉพาะตามขัน้นตามเป็นองคนพอเหมาะพอสมพอดีพอดิบพอ ด, พอดีเรื่อยๆ เ, เรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับทำจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บําเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกําลังสงสัยอยู่ ก็พอดีธรรมะท่มมาน ก, ก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยหลายครั้งหลายหนก็สําเร็จเนี่ยพี่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านในสําเร็จมรกคผลนิทานเป็นอย่างมากเป็นอย่างนี้แต่การหนึ่งครั้งพุทธการก็รู้สึกว่าคนผึกกันหนู่มากกับสมัยปัจจุบันเนี่ยก็เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องควรใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลส มีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนงานจดหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองในเรื่องที่เอียดก็ไม่มากคนก็โกงไปคกงมาทำก็เป็นธรรมของจริงเมือ่อแสดงออกไปมากน้อยอย่างไรก็เป็นที่ทราบซึ่งําหรับผู้ฟังโดยลำหนักธรรดาเมือ่อฟังได้ก็เอาไปรู้สึกปฏิบัติตามในฐานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมจากการบําเพ็ญของตนตามกระดิ่งนิสยัย เกิดข้อข้องใจอะไรมาก็มาถุมถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบนีนะ่ประธานอวาสมางทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยล ำ, ำดับํำดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มาก สมายนี้เราทุกคนก็พอจะท้าบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤติ ธ, ธรรมมีผิดแปลกกันอยู่มากครั้งนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สำคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรคผลมิตรพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจงแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความจัดความจริง ไม่มีข้าเกลื่อนเกลื่อนลอยผู้ฟังกินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกนหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีทคำหนักท่านผู้รู้ยินเห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นเรอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคําว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่ไม่ไมปรากฏ นีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเรื่อยแล้วเน็บลงไปเรื่อยๆเรืเล ย, เลยอย่างเข้มข้นที่สุดเทศอย่างถึงใจเพราะท่านท่านเทศองท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันทองขึ้นเหมือนก็พท่นิพพานนันะ่นเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้เหมือนก็เอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้ <laughs> เป็นลักษณะนั้นเนี่อ่ะการเทศ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 ความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มใจไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะค้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจิตของพระสาวกอราหันทั้งหลายเพราะท่านรู้จริจรงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการแสดงออกจะเป็นประเภทในก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออหรือแสดง ให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้ น, นมุตติถอนแสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจริงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละละถอนยังไม่น่าขัตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความรูสึกใสหรือความตั้งมั่นภายนอกจิตใจให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำดับกันหนัก ถึงตักตวงเอามรคนิพพานกันเรื่อยๆเยๆนั่นสมัยนั้นเป็นสมัยตักตวงอามรคนิพพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติาการบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยเต็ ม, ม, ต ม, มทัศกิจำลังผลที่จะผลได้ครับจริงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี i เป็นสมัยรูปครำรูปนั่นคํานี้คาไปคํามาก็ตด้แต่เครื่องสกปรกสโสมนเต็มหัวใจ สิ่งที่จะเป็นอัดเป็นทำพอเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสไม่มนีมีเป็นเครื่องครอบคุลกิเลสเดือนมากน้อยก็ต า, ามจะอะไรก็ตามมีเป็นเรื่องครอบคุลกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาลถึงเราจะว่าทําไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนร้ายผลคือร้ยเหตุเหตุที่จะคุณเป็นไปเพื่อผลนั้นๆร้ายเสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุ ด, ดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่ถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนทำ ม, มากก็สักแต่ว่าทำจะมีอยู่ในตู้ในหีบควมภีย์ใบลานท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่กระตุ้นปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของที่เดชก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำหนักตําลาอันนั้นมีแต่ชื่อของที่เดชทันหาอาสวะชื่อของมรคนิพพานตัวที่เดชอาสวะจริงๆและตัวมรคนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคล เมื่อเราตั้งกิตตั้งใจประพฤปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนที่เดศอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทําไมจะถอนไม่ได้ทําเป็นเครื่องถอดถอนที่เดศมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ายอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานําเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจและสาวกท่นสั่สอนไว้และท่านดําเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยล่วงสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันเลย มันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคําว่ากิเลสถ้าเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะขยะงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นฆาตสึกต่อเราเอ้าเราทำรักกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสเอ้ากิเลสตัวนี้ก่อตายความโลภ ตัวนี้ตายออกมารูปลักษณะถ้าเอาเป็นรูปเป็นนั่งนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลภนี้แลมันทําโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันเนี่ยนี่เลยค่ามันแล้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจํานวนมากๆด้วยคนที่หายรายปพวงไปเพราะอำนาจของเสือร้ายคือความโลภนี่มันมันกัดคนอ่า หรือเวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายของมันเป็นนีรูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งนั้นทีเดียวถาว่ามันเป็นรูปเป็นล่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกดนี่คือคือภัยทั้งกองทีเดียวอ่แล้วรูปล่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวเป็นอย่างนั้นเราหงหางกลางตัวมเป็นนี้เชี่ยวเป็นนั้นลวดลายเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วเนี่หามาทิ้งไว้นี่อ้าประกาศโลกให้มาดู ตัวเนี้ยตัวร้ายกาศที่สุดโลกที่หน้าที่หายได้เพราะตัวโกรธนี้เีลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันมันร้ายกาศมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจขงตนก็กลัวก็ขยะขะแขงแล้วมีทางที่มีใจใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลคความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอาจรพิษตัวร้ายกาศที่สุดในโลกทั้งสาม เมืแยกออกมาเป็นตนหนึ่งตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทําคนให้เราลาค่าฟันกันทําความพินาศที่หมายแต่โลกก็คือตัวภัยสามกองคนนี้แหละใครก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของพิเดตออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อพิเด็ตเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็พิเดต ก, ก็อยู่ด้วยกันได้สนิท ทำบายโรควันนั่งค่าจะาให้ตายกับความโรค ก, ก็ได้พอใจจะโลคโกรธก็ตาําแสดงกับโกรธได้ทั้งนั้นเนี่ยพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสเองเรายิดว่าเป็นเราเสเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆ ท, ที่มันเป็นภัยแต่ตัวอยูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายใ น, ใ น, ในใจิตใจของเราขึ้นขึ้นว่าที่เหลือแล้วมันเป็นภัยด้วยกันก็าตางแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็ถือด้วยกันได้นี้เอาเกิดก็เกิดจว่าไง ทุกก็ทุกเสียใจก็เสียใจเพราะหน้านของเกศพายเสียกิเลสเป็นเราเราเสียใจว่าก็พอเสียใจอืมถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้แมนก็พอใจเสียใจคนเราอืต้องไห้ก็พอใจร้องไห้เพราถือว่าเราเป็นเราถ้าว่าได้แยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นมาได้ต้องมีท่าต่อสู้กันอ เมื่อมีค่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพร่ความยนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนทียเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การพุทปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสังสมจิเลตเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความราช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของจิเลตทั้งนั้นถ้ามาแค่เป็นจิเลตตัวจริงก็คือลูกเต่าของมัน มันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละอมแม่มันจะพาเป็นเสือลูกพ่อทําเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้ามัเป็นเสือถ้ามันไปเรื่อยเรื่อยนี่เราเห็นโทษทั้งมันนี่แยกกันออกนี่อุบายของตปตัญญาจะแยกเรื่องพิเดกกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาบาบคลิกแทงแก่งแปลงหลายแง่หลายตะพงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเราพิเดกก็กอดคอกันตายตลอดกลับตลอดกันไม่มีธนวะนนามตะโคหมายถึงว่าไม่ มีต้นไม่มีปลายไม่ทราต้นทางอที่ไหนปลายทางไหนวนเวียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเยียนมาตายไป่ายมาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏฏะสงสารกับหัวใจของเรามันก็วนไปเยียนมาเนั้นมาแล้วก็มาตื่นแต่ของเก่า่ะเกิดเท่าไรเขาก็ตนไม่ได้เกิดตายแ้วก็ยังไม่เขาไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลำบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวถาย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 มีม า, ะานะภาในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบอืสาวกอรหัสอรหันเป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผู้หนึ่งหน้าเราก็เป็นพุทธบ ร, ริษัทก็ลูกของนักรบเราอยากให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปในเรื่องให้ถอย เราสู้เพื่อใชยชนะยกเราก็ขึ้นจากหลงลึกจะยากลำนากยกจนขึ้นเรามายกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเราผู้ถอนที่เดือดแฉการงจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเศบแทงอยู่วันนั่งค่าคืนนอรุ่มเป็นของดีเมื่อไหร่เราพยายามถอดถอนออกโดยลำหนักลำหนักสติปัญญาผิดขึ้น หาอบายพลิกแปลงแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่คืดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายตนาต่างๆแตกแขนงไปวันดั้งคํำอว่าจารย์เป็นจะเพียงพูดเ น, เ น, เนี่ยให้คือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุ่นเราจรึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงให้นั่นแหะไปแจงออกโดยลําดับลําดาแตกแขนงไปนั่นน่ะเป็นอุบายของเรา แล้วกินวันย่างคำไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสินได้ที่เราผลิตขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิดลืมเข้ามาถ้าแล้มันหมดบางทีดูดตีนดุดมือแต่เสีอหายประชาเจ้าก็มีถ้าเราผลิตขึ้นมาได้ไม่เป็นไรอ่าอันนี้หมดเอาผลิตขึ้นมาอันนี้แตกไปผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลศพาให้คนจนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพุทธ แทงทะลุปูปลงมาได้เพราะหน้าของปัญญาท่านจึ็นชมนัตติปัญญาสมาอาภานานท้าสิท่านก็ว่าแสงสว่างจางเสมอโดยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอ น, นาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกอยากละเอียดของขี้เด็ดความมืดดำอยู่ที่ไหนคือขี้เด็ด อ, อยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนตะลุกปูกลงเพื่อ ห, หาที่หลุซ่อนมาได้ ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามี่ต่ค้นคุยเสียหามาฆ่านตลอดแต่ที่เาหา ล, เลือมอมไปเอาฆ้าเไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยอีกฆ่าโดยตาปัตธรรมเผาโดยตปัตธรมตรมตาปัธรรมคือความเพียนเครื่องแผลตเผายิ่งใหญ่พให้มันคิดหาโดยลำํลำดับลํำดับที่เหลือมันจะตั้งบ้านตั้งเมองที่ไหนอีกมันจะเอาลูกท้าเราก็มาทีงไหนเมื่อถูกฆ้าวันหนึ่งมันหลายหลายตัวหลายๆ ชนิดแล้วนั่นก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงออมาอย่างหน่าอาศัศจรรย์ น, นี่อำนาจแห่งธรรมแสดงเป็นที่แล้วอํา น, นาจของกิเลสแสดงความมืดดำแต่เราเห็นอยู่ทุกอยูทุกวันทุกค่๊าดเวลาความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้ น, า น, นาการธรรมะกิเลสแม้ถนัด หรือลำบากอย่งไรจริงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งทีนเราจะต้องทำเพื่อยกตนของเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้าหนักมากยิ่งกว่าความลำบากในการถอดถอนที่เหลือซะอีกเนี่ยเราก็ต้องเอย่างผ่าฉันพิจารณาให้ดีแยกเยอะให้ละเอียดก่อออจีขั้งกีเหวินจีตลบทบทวนก็ตามแยกทำมันเห็นชัดเจนเอาจนทํานิทํางานเอาทํานิทํางานแล้วยังาเนี้ยเอาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวาง ม, ๆๆๆมันรู้กินเห็นกินแล้วมันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราเราจับอาสาพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบเอาสารพิษนั้นมันสลักทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อ้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นพายแล้วมันก็สลักปล่อยเองจิตใจปัญดาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดนี้ถูกพอใจทราบนั้นมันก็ปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองโดยลำบขึน้นมาก <c oughs> ารปล่อยอุปทานก็คือการปล่อยถูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้เจ็ดพิเล็มากหรือน้อยแตเท่า ต, ตัวของเราเนี่ยพอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเราเนี่ยท่านาบอกอารมณมาสุขที่มันเป็นบรมณไม่ได้ครับคือเรื่องของพิเล็กเท่นั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดมาคาร์ลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วไม่มีคุณค่าพาเอาสิ่งที่ไมมีคุณค่าซึ่งคอบอยู่หในใจไม่ออกหมด ด้วยสติปัญญาศรัทธาคำเพ่งเรา่นั้นสิ่งที่มีคุณค่าก็แสดงแสดงตัวอย่างเป็นที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันหันท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่ไม่พ้นที่ไหนเพราะควกนี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้พาผู้ล้มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่ปวดทรวงออกมืาแล้วก็ดีดขึ้นที่นี่เออผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่นี่พ้นทุกพ้นที่ใจ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 ขัดปัรดางเราให้ขัดจิตใจเราให้มีความสว่างอาจจ่างแจ้งขึ้นด้วยนำหนักของปัญญาที่แทงทะลุปูผ ง, งตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเรานี่ยแล้วอะไรจะคิดหายขึ้นเห็นจริงต่างอันต่างสริงด้วยกันนะไม่มีอะไรคิดหายเอาิาฎลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นั้งมันส่วนที่เป็นลมเป็นสามันก็เป็นไปตามธรรมชาติงมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปกรุมไปแต่งมัน ว่ามันเป็นอนนั้นทงแบบนี้มันเป็นขงมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองไม่ต้องมาเสกสรรว่าจริงหรืไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงท่าเองจิตมันก็จริงขง้างหนเมื่อต่างอันต่างจกันแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติที่ซ้ําหนึ่งตัวหมดเรื่องหมดราว ขันก็ไปเสียจิตก็ข่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันเสียทีอเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธาระหเวตันจักขันธ์ธาธาละฮะโรจตุกะโหมดกันเสียทีอย่างพระพุทธเจ้าปรมิภานิพพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวง ผู้ที่ยังคลองขันอยู่แมี่จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผิดชอบในธาตุในกันยินไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการบินการเดินการนั่งการนอนประคับประคองกันด้วยเอียดต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความขังวลมันยังไม่เป็นเม็เมดเต็มหน่อมันสละออกไปทซะหมดจิตบริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกายก็ลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ย ตางานต่างจริงเสียจิต ก, ก็ผ่านไปเลยหมดตังวดอนนาลโยอย่างเป็นภูมิมีเรียกว่าอะมุปาที่เสสานิพานสนัดส ม, มุติไว้ให้เป็นภูมิของส ม, มุดวิ ม, มุติไปเป็นภูมิของวิ ม, มุดไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือ น, นอย่างเวลาที่คลองท่าขันอยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรม ผลที่จะถึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลําบากลําบนมากน้อยเทียงไรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดอเพราะฉะนั้นความลําบากลาบนในจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิหนาลอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนลําบากก็ลําบากเพื่อนหนุนจะเป็นไง ไ, ไปเอาให้หนักหือ่อย ที่เกิตายเกิดกุศลาธรรมมาผู้นี้ไม่หยุดไม่ยั่งเอาสร้างกุศลาภายในจิตใจให้พอกุศลาธรรมาแปลว่าความฉลาดหาอุมาความสนาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพออตายแล้วขาดจากกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยังโง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยแตกุศลาธรรมมาทั้งเลยแต่เท่าเดิมเลย ท่านใ้เราสร้างกุศลธรรมะอากุศลธรรมะอันไหนไม่ดีก็อากุศลธรรมะความโง่กําจัดออกไปความโง่คือกิเลสอ่ากุศลธรรมะคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูมันจนมันของสายด้วยบริสุทธิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัปยาคตาธรรมะก็ได้มันหมดแล้วลงบุญลงบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตตธรรมคำว่าอัปยากตาธรรมะเป็นสิ่งกลางๆธรรมดาไม่ตงบุญบาิ ในบรรดาสมุดทั้งหลายก็ได้มันจะแยกไปเป็นอภิยะกตาจิตชื่อจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของตาตาประชาชบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วเป็นอภิยากตาจิตก็ถูกถึงคำนี้แล้วไม่เสียงไทยไทยจะให้ชื่อไห่นามก็ได้ไม่ให้ชื่อไห่หนามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ส่งไว้ตัวผูู้้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จําเป็นเราจะต้องไป ยิ่งผมนังกับชื่อกับนามมันเอืละ่ะเนี่นยนั่นคือามหมดตันหาทุกข์เพราะความเพียเรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เเลินเพราะสิ่งที่ได้มาทำให้เพิดเพินให้รุ่นเริงหาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลาบากในการมอมเพลินเกิดขึ้นมาเป็นความเบา อ, อกเบาใจ ถอดถอนกิเลสตัว น, นั้นได้กิเลสตัว น, นี้ได้เป็นลำดับลำดับๆๆๆเป็นความเพลอดความเพลินยิ่งถึงคําสั้นสูงท่านเรียกว่าอุทักษ์จัความฟุ้งคือเพลินไม่ใช่นั่นะจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบวงสันนะคือมันเพลินต่อการพินิจพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญา ลืมหลับลืมนอนลืมเข้าออที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เป็นความเพลินท่านเดี๋ยวอุททาจะพอพ้นจากนั่น้มันก็หมดปัญหาอัานันหมดหมดเรื่องนะั้นก็สบายอัะละัคนติเกึมท่านนี้